พระเจ้าพระมาหาไับูนอะพิปุโนโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีพิยุแห่งนี้นําเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ฟังก็ได้บอกสอนเรื่องราวไว้หลายๆอย่าง บอกสอนไว้เหมือนเหมือนกับคนอื่นที่เขาบอกสอนก็มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็มีคนอื่นที่เขาบอกสอนเรื่องราวเช่นเรื่องของศีลเรื่องของการทําสมาธิสอนไว้เหมือนกับที่เขาสอนสอนกันมีส่วนที่เป็นตรงนี้ก็มีก็พยายามจะกําหนดบทเพียญชนะให้มีความรัดกุมมากขึ้นด้วยเพิ่มเติมขึ้นไปสอนที่เป็นเรื่องราวที่มีความ เฉพาะจ่อ จ, จงแตกต่างไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนอันนี้ก็มีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในทางคำสอนของพุท ธ, ธะเช่นเรื่องของความเป็นอนัตตาเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของการให้เห็นโทษและการที่ให้รู้ถึงอุบายในการนำออกจากสิ่งต่างๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดบทเพียนชนะหรือว่าแจกแจงเรื่องที่จะไปสอดคล้องเหมือนกันลงรับกันกับคําสอนในทางอื่นๆเนี่ยให้มีในลักษณะที่จะสืบต่อมาในทางคําสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระพุทธเจ้าได้ดนั้นก็จะมีการบัญญัติให้มีความรัดกุมมากขึ้น ในเรื่องของบทปญญัติต่างๆอย่างเช่นเรื่องของสีนิษท่านผู้ฟังสีนิเนี่ยไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยนะถึงแม้ตอนที่จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยต่อให้คนที่เขาทำชั่วกันมากมายมีอาญากรรมโลกตกตามถึงที่สุดชนิดที่เรียกว่าฆ่ากันทำไม่ดีกันเนี่ยก็ยังมีบางคนถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย ที่เขายังรักษาศีลอยู่เนี่ยพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะกู้โลกขึ้นมารักษาคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้สามารถที่จะกู้โลกขึ้นมาได้เมื่อคนที่ไม่ดีนั้นอ่อนแรงลงถูกทําลายไปด้วยผลของกรรมของตนบุคคลที่มีความดีอยู่ในตนนี่แหละท่บุฟังจะเป็นผู้ที่กอบกู้โลกขึ้นมาให้มีความดีความงามขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ตามท่บุฟัง เรายัางไม่ต้องไปรอถึงตอนที่โลกมันย่แย่ไปมากกว่านี้เอาแค่ตอนเนี้ยตอนนี้ถาเราตื่นช้ามาเราเห็นคนนั้นคนนี้ทําไม่ดีเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คนด่ากันว่ากันเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะกู้โลกเราจะเป็นฮีโร่เราจะเป็นคนพิเศษคือเป็นคนเหนือคนได้เนี่ย เราทำความดีตรงนี้แหละตบูวังทำความดีชนิดที่คนดีๆเหนือคนทั่วไปเขาจะทำกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของจิตใจที่มีความเมตตากรุณาแม้ในคนที่มันจะไม่ดีก็ตามเรื่องของจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกรุณามีบุติตาอุเบกขาให้มีความที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ ได้คลักษณะของคนที่จะเป็นคนเหนือคนเป็นฮีโร่ได้เป็นคนพิเศษได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่จมตกอยู่ตามกระแสของโลกแต่ว่าช่วยเหลือคนจะช่วยเหลือตัวเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือด้วยธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่นเองเวลาเราทําเราปฏิบัตินั้นละเกณฑ์หรือว่าทางที่จะดําเนินไปนั้นก็คือตามทาง ริมักมีองแปดตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่นำคําสอนของพุทธามาบอกต่อให้ทั้งบุฟังได้ฟังแล้วในส่วนเรื่องของในทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกและทั้งบุฟังว่าท่านเป็นผู้บอกผู้สอนตัวท่านเองก็ปฏิบัติของตัวท่านเองผู้ที่รับฟังก็ต้องปฏิบัติของตัวเราเองเราทุกคนสามารถที่จะเป็นคนพิเศษคนดีคนเหนือคนได้ในที่ที่เราอยู่ ในสถานการณ์ที่เราพบเจอกับบุคคลที่เราได้พบปะด้วยในที่ที่เราไปเราสามารถทำได้แน่เราในการทำการปฏิบัตินี้แน่นอนท่านผู้ฟังบานทีมันก็มีเรื่องมาทำให้เกิดความท้าทายเวลาเกิดความท้าทายขึ้นเนี่ยเราอย่าทอ้อถอยเราต้องสู้เราจะสู้เราต้องมีกำลังใจเราจะมีกำลังใจได้ กำลังใจนี่แหละคือพรรลังรรากาลังพลังกาลังนั้นก็มาจากศรัทธาความมั่นใจนั่นเองศรัทธาความมั่นใจจะมาได้เนี่ยมันต้องเอาความเครียบแคล ง, งเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปจากใจของเราเราจะเอาความเครือบแคลงเห็ในแย้งไม่ลงใจออกไปจากจิตจากใจของเราได้เนี่ยถามคําถามในบันทีมันช่วยได้ถึงฝัง่งการถามคําถามจะเป็นการกลายวิจิกิจฉาความเครียบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจอันนี้จะ สามารถทำให้มีความมั่นใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์กรับพี่เจ้าก็จะเปิดโอกาสตั้งบุฟังได้ส่งคำถามเข้ามาสามารถที่จะถามคำถามได้โดยตัุ้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปบสนิยบัรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตบลดอนหายโศก อำเออาเภอนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puretha.ma.com p, com, p u r e d h a m m a com ก็มีคำถามส่งเข้ามาเกือบทุกวันทั้งหมดฝั่งในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเอาคำถามเหล่านี้ลหละมาพูดคุยกับทัามดฝังได้ฟังกันเราถามคำถามมาคนอื่นที่เขาฟังอยู่เขาก็ได้รับประโยชน์ด้วย ันนี้จะเป็นการเกื้อกูลกันทั้งผู้ฟังทั้งผู้ถามทั้งผู้ตอบด้วยเนื่องาะว่าคำถามบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้เคยคิดนึกถึงพอทัมงผู้ฟังถามมาตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ตอบอก็ต้องไปหาข้อมูลทำการแยกแยะแจกแจงวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงตอบให้ทั้ผู้ฟังได้ฟังกัน ตัวกบข้าก็ได้ประโยชน์ด้วยจากคําถามของท่านผู้ฟังผู้ถามเองได้รับคําตอบแล้วก็คลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งไปมีความมั่นใจมากขึ้นผู้ฟังอื่นๆที่ไม่ได้ถามแต่ฟังที่คุนอื่นเขาถามตัวเองก็ได้ความรู้ด้วยเหมือนกันนั่นก็ได้ประโยชน์กันทุกๆฝ่ายในวันนี้ก็มีคําถามของคุณคมสั น, นคุณคมสันนี่เขเขียนคําถามก็มาอยู่เป็นประจำเมื่อกล่าวที่แล้วได้รับฟังคําตอบไปแล้วในที่ถามเกี่ยวกับ เรื่องของกิเลสที่อยู่ในภายในอันนี้ก็ต่อไปเมื่อสดาก่อนนู้นวันนี้คุณคมสรรเขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมะโดยถามก็ใหมาอย่างนี้บอกว่าต้องการอยากจะทราบประสู์ตรตว่ามีตรัสไว้หรือไม่โดยนัยยะลักษณะที่ว่าการฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ที่ปุตุชนหรือแม้คนพันก็ตามเขานํามากล่าวแก่คนอื่นๆ ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยแล้วคนที่ฟังธรรมะที่ปุตุชนหรือว่าคนผา น, นั้นกล่าวแล้วชนที่ฟังที่เป็นบัณฑิตนั้นเนี่ยก็ถึงกับการบรรลุธรรมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปมีกรณีนี้หรือไม่อย่นะเช่นว่ า, านายดํานายดำเนี่ยเอาพุทธพจน์เอาข้อมูลธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกสอนเปลา่ปลาๆอยู่ แต่ว่านายดําเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่บ้างยังเป็นถึงขนาดว่าเป็นคนพาลเลยก็มีในกรณีที่คุณคมสันตาม น, นี้แล้วเป็นไปได้หรือไม่คนที่ฟังธรรมจากที่นายดําำเขาประกาศเปล่าๆอยู่เนี่ยแล้วเกิดการบรรลุตามขั้นสูงมีหรือไมอ่ก็มีเรื่องราวทั้งัมดมาในส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทได้กล่าวถึง ภิกษุรูปหนึ่งอันนี้เป็นพระนะก็กล่าวสอนธรรมานี่แหละโดยอัตถาและโดยพยัญชนะที่เป็นการบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองนั้นก็บรลุธรรมะแค่โสดาบันแล้วก็สามารถบอกสอนลูกศิษย์เนี่ยให้บรรลุธรรมะถึงขั้นเป็นอรหันตะ์มีอยู่หรืออีกรูปหนึ่งตัวเองเป็นอนาคามีแล้วก็บอกสอนลูกศิษย์ จนกระทั่งลูกศิษย์หลายรูปบรรลุเป็นอรหันต์อันนี้ก็มีหรือว่ามีภิกษุที่ชนานนาํานาญในพระไตรปิฎกฟังธรรมะท่องจําอะไรต่างๆคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตัวเองไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยนะเป็นปุถุชนธรรมดาแต่บอกสอนกุณณ์นเนื่อให้เขาท่องอย่างนี้ทำพิจารณางี้เออกุื่นบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้เรื่องราวเป็นส่วนที่เป็นอัตคตาเนี่ยมีอยู่ มีอยู่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณกมสารตามก็คือว่าเอาแล้วถ้าถึงแม้ขนาดคนพาลล่ะคนพาลเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกสอนได้หรือไม่แล่งจาที่จะไปถึงประเด็นตรงนั้นตัง้งบริังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะการที่จะบอกสอนคนอื่นเนี่ยแล้วเขาสามารถบรรลุทำไดเ้เขาจะมีการบอกสอนในลักษณะไหนแล้วทาไมตัวเองถึงไม่บรรลุทำ ในเรื่องนี้ก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้อยู่ในอังคุตระนิกายอยู่เล่มที่23เริ่มต้นที่ข้อ152มีตัวอย่างทั้งหมด8ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่ฟังธรรมได้ยินธรร ม, มแล้วเนี่ยจะพอเพื่อตัวเองได้หรือไม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วจะพอเพื่อผู้อื่นได้หรือไม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ในการเพียงพอเพื่อตัวเองนั้นก็คือตัวเองนั้นบรรลุทำได้น่ะตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์เลยเพียงพอในจุดจุดนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคุณฑ ร, ร ม, มีมากน้อยเพียงไรส่วนการที่จะเพียงพอเพื่อผู้อื่นก็เป็นเรื่องของการบอกสอนแล้วนะการบอกสอนเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ผู้ที่ฟังทำต่อจากเราไปนั้นสามารถที่จะบรรลุทาได้ โดยได้ตรัสถึงบุคคลที่เพียงพอเพื่อตัวเองก็คือฟังธรรมะละพอเพื่อที่ตัวเองจะหลุดพ้นได้ละแล้วก็พอเพื่อผู้อื่นด้วยมีอยู่2อนัยยะด้วยกันพอเพื่อตัวเองแล้วก็พอเพื่อผู้อื่นมีอยู่สนยัยยะส่วนข้อที่พอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อผู้อื่นตัวเองเนี่ยปฏิบัติได้อยู่แต่ว่าไปบอกสอนคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้ทําไม่ได้เข้าใจทาตามไม่ได้อันนี้มีอยู่3ามนายัยยะ ส่วนที่ตรงกันข้ามกันก็คือตัวเองเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าไปบอกสอนคนอื่นเนี่ยได้เขารู้ทำเขาฟังทำบรรลุได้เออแบบนี้ก็มี น, นี้มีอยู่สมนัยยะเพราะนตรงนี้แหละคือประเด็นที่คุณกรมสรรตามมาว่าเอ๊ะถ้าไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยตัวเองปฏิบัติไม่ได้ล่ะมีคุณธรรมต่ากว่าหรือถึงขนาดเป็นปุถุชนหรือเลยไปขนาดคนพาลด้วยซ้ําเนี่ยไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยแต่ว่าสามารถ บอกสอนก็หน่นแตคือพอเพื่อผู้อื่นได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนี้ที่ว่าพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3นานัยยะแรวมกันเป็น8ข้อ2อนัยยะของผู้ที่พอเพื่อตัวเองพอเพื่อผู้อื่น 3. นายาัยยะของผู้ที่พอเพื่อตนแต่ว่าไม่พอเพื่อผู้อื่นแล้วก็3นานัยยะของที่ไม่พอตัวเองเตัวเองทำไม่ได้ แต่ว่าเพียงพอเพื่อผู้อื่นสามารถบอกสอนผู้อื่นได้ในทั้งหมด8ป น, นัยนี้ท่านผู้ฟังแยกกุณธรรมออกมาได้ทั้งหมด6ข้อแนะมีหกข้อด้วยกันโดยหข้อนี้บางอย่างมีบางอย่างไม่มีรวมการแจกแจงได้เป็นทั้งหมด8ปนัยตามที่พระพุทธเาบอกเนี่ยกุณฑธรรมหกข้อนี้คืออะไรนะในข้อแรกก็คือเรื่องของการจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย ก่อนที่ข้าพเจ้าจะอธิบายนะก็ขอให้ฟังทั้งหมดหกข้อนี้ก่อนตอนนี้คือข้อที่1ข้อที่2มีธรรมชาติที่จําธรรมะที่ฟังได้มีปกติสามารถที่ทรงจําธรรมะที่ฟังไว้ได้ข้อที่สมีปกติใกล้ครวนเนื้อธรรมแห่งธรรมะที่ทรงจำไปแล้วข้อที่4มีการรู้อัตถารู้ธรรมะและปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมในข้อที่5นั้นคือการที่มีคําพูด มีวาจาที่ไพเราะประกอบด้วยวาจาที่ชาวเมืองเขพูดกันมีวาจาแจ่มใสชัดเจนพูดให้รู้เนื้อความได้นั่นคือในข้อที่5และข้อที่6นั้นสามารถที่จะชักชูงผู้ที่ฟังนั้นให้มีความอาจหาร่าเริงในการทาในการปฏิบัติในทั้งหมด6ข้อนะข้อใน4ข้อแรกทั้งหงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเนืตัวเอง นั่นคือสามารถที่จับ่วยได้ไวในกุศลละธรรมทั้งหลายคำนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดเนี่ยมันเป็นธรรมะไปหมดเห็นกุศลแธรรมไปหมดอย่างเช่นว่าถ้าเห็นวัดแห่งนี้เอาไม่มีไฟฟ้าใช้เอ๊จะทํำยังไงดีแต่ถ้าเขามีกําลังใช่ไหมในการที่จะให้ทาน เ, เขาอาจจะติดระบบไฟฟ้าหรือว่าเอาเทียนมาให้ซื้อหลอดไฟทําอะไรที่มันจะ เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือเรื่องของการให้ทานหรือในลักษณะของการรักษาศีลนะเห็นคนที่ฆ่าสัตว์เห็นคนลักทรัพย์ให้เราก็ทําการขู่กล่าวว่าเออเขาฆ่าเขาลักเราจะไม่ทำํำหรือเห็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็เห็นโอกาสในการที่จะช่วยเหลือมันช่วยเหลือมีการกระทําอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จับช่วยได้ไวในกุศลและต่ำทั้งหลายอถ้าเรามาดูตรงกันข้ามในธรรมวังคนที่ จับช่วยไม่ได้ไม่สามารถจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่เห็นช่องทางที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันแบบพลาดโอกาสนี้ไปเนี่มองไม่เห็นอย่างจะมาถ้านักธุรกิจเนี่ยนะคนที้ก็มีตาที่จะตําเนินธุรกิจได้เขาเห็นช่องทางปุ๊บเขาจะรีบจับช่วยว่าโอนี่เป็นช่องทางที่จะทําเงินเช่นว่าถ้าช่วงนี้ฝนตกเอาถ้าเป็นคนที่ฉลาดจับช่วยได้ไวก็าอาจจะมีบริการส่งถึงบ้านหรือขายร่ม แต่ถ้าฤดูร้อนเอาก็ บ, บริการติดแอร์ทำทุกอย่างที่มันจะได้กําไรได้ผลดีขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีตาในการที่จะจับฉวยในธุรกิจต่างๆจากความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหรือคนที่เขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาฟังข่าวอะไรอันหนึ่งเขารู้ว่าข่าวแบบนี้หุ้นตัวนี้จะขึ้น เ, เขาก็ซื้อหุ้นนั้นไว้แต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้คือไม่เห็นเนี่ย ก็จะมึนๆงงๆไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทำอะไรไม่เป็นแต่กลักษณะนี้เหมากันแต่คนที่ไม่สามารถจับช่วยได้ไวในกุศลธรรม ท, ทั้งหลาย<ๆ>ก็จะไม่รู้ว่าว่าเอชตรงนี้เป็นช่องให้เราทําบุญหรือว่าตรงนี้เป็นช่องให้เราสามารถที่จะตั้งสติขึ้นนะมีความท้าทายทําทให้สติสมาธิของเราเพิ่มขึ้นได้ก็จะไม่เห็นแต่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคุณธรรมก่อนอีกในข้อที่สอง ที่บอกว่ามีธรรมชาติทรงจำธรรมะที่ตนเองฟังไว้ได้และในข้อแรกนั้นคือเกี่ยวกับสิ่งเวดล้อมทั่วไปจะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์การงานที่เราทําอยู่การพักผ่อนหรือว่าไปที่ไหนก็นแล้วแต่นี่คือเรื่องทั่วไปทีนี้ในข้อที่สอนี่นคือเรื่องของการฟังธรรมแลฟังธรรมแล้วเนี่ยเออฟังแล้วจําได้แต่คือการฟังธรรมเนี่ยมันมีอยู่หลายลักษณะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยมีปัญญาเหมือนกับตัด ตักเนี่ยคืออย่างเรานั่งคัสมาที่เนี่ยมันจะเป็นตักขึ้นมาใช่ไหมสามารถวางของวางไรายได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบปัญญาของบางคนเนี่ยเป็นปัญญาเหมือนตักก็มีคือตอนนั่งเนี่ยสามารถวางไรายได้เก็บได้จําได้อยู่แต่พอลุกขึ้นไปแล้วฟังธรรมจบแล้วเอ๊ะมนของที่วางอยู่บนตักเนี่ยมันร่วงหล่นออกหมดนคนฟังธรรมบางทาีตอนนั่งฟังอยู่ในจําได้อยู่แต่พอเลิกแล้วเนี่ยเอา้าจะเหต เ, เรื่องอะไรไปลืมไปแล้วอย่างเงี้ย แบบนี้ก็มีแต่คนที่จําได้เนี่ยก็คือมีปัญญาเหมือนหม้อหม้อที่ว่างอยู่หม้อที่ไม่เต็มใส่ของใส่ของใส่สิ่งที่ฟังแล้วพอเลิกยกก็ยกหม้อไปได้เก็บของต่างๆที่ใส่ลงไปในหม้อเนี่ยเอาไปใช้ที่อื่นได้เหมือนกันคนที่ฟังทําแล้วมีปัญญาเหมือนหม้อเนี่ยก็สามารถฟังแล้วตรงฟังนั้นก็รู้ด้วยเข้าใจความสามารถที่จะนําเอาความรุ่นนั้นไปใช้ในที่อื่น อันนี้คือมีปกติมีธรรมชาติที่ทรงจำํำธรรมที่ฟังนั้นได้นี่คือในข้อที่2ในข้อที่3นั้นก็เป็นผู้ที่ใคร่ครวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไม่ได้คำว่าใกล่ครวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำใบนี้ก็คือสามารถที่จะนํามาประยุกต์ได้นั่นเองเพราะว่าธรรมะที่เราฟังในธรรมวังเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ความรู้ของเรา กว่าที่จะมาเป็นความรู้ของเราความรู้ในที่นี้นะคือแบบรู้เข้าไปในจิตเลยนะเป็นญาณเลยเนี่ยมันเป็นญาณของพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้ใช่ไหมไอ้ที่ญาณความรู้ของท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นญาณความรู้ของเรานะพอเราฟังปุ๊บมันเป็นความจำเฉยๆเป็นสัญญาในสมองของเราใช่ไหมพอมาเป็นสัญญาในสมองของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นสัญญาชนิดที่จะทําให้เกิดเป็นมรรคได้โดยซ้ำนอกจากเราจะมาแคร่ครวญซะก่อนแต่สัญญาที่เป็นส่วนของทุกข์นะท่านผู้ฟังนะ เป็นความหมายรู้คุณจะยึดติดก็ได้อะในความรู้นั้นแต่ถ้าเรามาใคร่กรวนพิจารณาเนื้อความที่ทรงจํานั้นได้อันนี้มันจะเริ่มมาในทางมรละมันจะเริ่มมาในทางปฏิบัติละอันนี้คือในข้อที่สามพอมีการใคร่ครวนเนื้อความที่ทรงจํานั้นเนี่ยจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามจําได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าจําได้แล้วใคร์กรวนเนื้อควาได้เนี่ยล้วก็รู้อัตถะรู้ธรรมะ แล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคืออัฐะของธรรมะแม้สั้นๆ น, น, นะท่านฟังมีปริยายแยกแย่แจกแจงไปได้เป็นอนเนกปริยายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านบุฟังว่าอย่างเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทยัยนิโรธหรือมรรคตามเนี่ยท่านยกหัวข้อไว้นะแจกออกมาเป็นกาน้ในเรื่องของทุกข์แจกออกมาเป็นตันหา3ในเรื่องของสมุทยัยแจกออกมาเป็นการดับของอวิชชาและตันหาในเรื่องของนิโรธแจกออกมา เป็นอนยักษ์มรคมีวงแในเรื่องของมร์เนี่ยอันนี้คือหัวข้อนะแต่แนวทางการปฏิบัติเนี่ยมีการอธิบายความได้เป็นอนเนกปริยายเพราะฉะนั้นพอกุณก็ได้กุรอหแล้วรู้แล้วแบบว่าโอ้นี่อัฏฐานเป็นงี้นะมีเป็นอนเนกปริยายเนี่ยมันแยกแจกไปเหมือนกับซาบซ่านไปเหมือนกับเส้นเลือดสายที่มันแตกไปแตกไปเหมือนกับแม่รุ่มแม่น้ําที่แม่น้ำเนี่ยมันกระจายไปกระจายไปอันนี้คือรู้อัตฐะรู้ธรรมะ และปฏิบัติธามสมควรแก่ธรรมอันนี้คือใน4ข้อแรกที่เกี่ยวกับการเพียงพอเพื่อตนเองการเพียงพอเพื่อตนเองทีนี้คําว่าการเพียงพอเพื่อตนเองเนี่ยตั้งไว้ใน4ข้อแรกนี้ที่จําเป็นจําเป็นที่สุดเลยเนี่ยคือ2ข้อสุดท้ายคือการไคร้ครัวเนื้อความที่ตนทรงจําได้และการรู้อัตถะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือบางคนอาจจะไม่สามารถจับช่วยได้ไวัยในกุศลธรรมทั้งหลาย อาจจะนานๆจับได้ทีหนึ่งแต่จับได้อยู่แต่ไม่บ่อยไม่ได้ไวจะว่าเขาจับช่วยได้ไวก็ไม่ใช่แต่เขาอาจจะจับได้บ้างแต่บางคนบางครั้งก็อาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีข้อที่ไวในการจับช่วยแห่งกุศลธรรมแต่จับได้บ้างหรือบางทีอาจจะจําไม่ได้มากไอ้ที่บอกให้มีธรรมชาติทรงจําธรรมะที่ฟังได้เนี่ยอาจจะจําได้อยู่อาจจะจําไม่ได้หมดแต่มีปัญญาเหมือนตากนี่แหละตอนฟังอยู่จําได้แต่พอลุกไปแล้ว เหลือออกมาชิ้นเดียวเหลือหมวดธรรมหมวดเดียวอย่างเงี้ยจะบอกว่าคนนี้เขาจําธรรมะที่ได้ฟังไว้เยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็มีความใกล้ค ร, รวญเนื้อความที่ทรงจําได้แม้น้อยนั้นสามารถใกล้ค ร, รวญเนื้อความได้มีการแจกแจงได้เป็นนันเอกปริยายใกล้ค ร, รวญตรงนี้รู้อัตตารู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีในข้อที่สามข้อที่4เนี่ยก็เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่เพียงพอ เพื่อตอนเองในเพียงพอเพื่อตอนเองตอนี้ในประเด็นที่คุณกรมฉันพูดมาในที่นี้คือว่าเอาละถ้าไม่พอเพื่อตัวเองเลยก็คือไม่มีคุณธรรมในสีข้อนี้เลยจะช่วยได้ไวก็ไม่ได้ไวได้นิดๆหน่อยๆธรรมะที่ทรงจําก็จําไม่ค่อยได้จําได้บ้างนิดหน่อยจะมาใคร่ครวญเนื้อความก็ไม่ได้ด้วยไม่สามารถใรกล่ครวญเนื้อความได้จะมารู้อัตตารู้ธรรมะตัวเองก็ปฏิบัติได้ไม่ดีปฏิบัติได้แบบก็ก็แกล้ๆ นะพออยู่พอกินพอมีไปพูดง่ายๆก็ยังมีศีลอยู่บ้างศีลบางก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปทําได้ไม่ดีแต่ศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็ยังมีอยู่เพื่อมุดว่าถ้าเป็นกรณีของพระสงฆ์เนี่ยก็ยังสามารถรักษาศีลที่ยังให้ถึงความเป็นพระยังรักษาได้อยู่แต่ศีลข้ออื่นงอาจจะผิดบ้างอาจจะไม่ดีบ้างอาจจะไม่เนียบเปะ๊ะแต่ก็ปฏิบัติส่วนที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ได้ น, น, นี้คือไม่เพียงพอเพื่อตนเองตนเองไม่บรรลุตามอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่เอาแล้วจะเพียงพอเพื่อผู้อื่นได้ไหมนั่นก็จะมีคุณธรรมสองข้อที่บูฝังมีคุณธรรม2องข้อในพระสูตรนี้นะที่มาในอังคุต ร, รนิการเนี่ยสข้อสุดท้ายที่เกี่ยวกับการเพียงพอเพื่อคนอื่นนั้นก็คือสามารถที่มีคําพูดไพเรา ะ, ะกระทําการพูดให้ประกอบด้วยวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นคำที่สละสลวยพูดมีความแจ่มชัดชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้แตวตรงนี้คือสำคัญตัวฟังพูดแล้วคนเขาเข้าใจนี่คือหมายความว่าอย่างนี้พูดแล้วคนเขามีความเข้าใจรู้เนื้อความที่คุณพูดนั้นได้เพราะฉะนั้นเนื้อความตรงนี้คืออัตถะแน่นอนบทเรีนชนะอาจจะไม่เหมือนไปของปัมปุจจะหรอกแต่ว่าเนื้อความโอ้ฟังแล้วเข้าท่าเว้ยเออฟังแล้วมันมัน มีสมัยสมผลน่ะฟังแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อันนี้คือให้มีความชัดเจนแจ่มใสให้รู้ในความได้อันนี้คือคุณธรรมในข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องของการจะเพียงพอเพื่อคนดื่นและในข้อที่6นั้นก็คือเป็นผู้ที่สามารถชักจูงให้อาถานแกล้ากล้าร่าเริงคือให้เกิดการกระําการปฏิบัติในข้อมรสกู่ข้อที่5นั้น คือให้เข้าใจเนื้อความได้นะเข้าใจแล้วคุณจะฮึดสู้มีพลังทํำไหมจะปฏิบัติได้ไหมอันนี้คือในข้อที่หกให้มีความกล้าให้มีการทําจริงแน่แน่จริงมีกําลังใจเอาฉันจะนั่งสมาธิล่ะฉันจะเลิกผิดศีลล่ะฉันจะทําศีลให้ได้ฉันจะทําสมาธิให้ได้อันนี่คือในข้อที่6ในข้อที่ย่า น, น, น, นั้นคือให้เกิดความเข้าใจละอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ว่า on. อ้อนวอนอ๋อแต่ว่าต้องทําเองอ่ะเข้าใจละ เราจะทำยังไงอธิบายให้เขาเข้าใจความเสร็จปุ๊บมีความอ่านทานร่าเริงทําให้เกิดการปฏิบัติได้เอ๊ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเอาก็เกิดการทําการปฏิบัติเอาแล้วทีนี้คําถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าไม่สามารถที่จะเพียงพอเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาพูดมาบอกสอนเขาจะเอาอะไรมาทําให้เขารู้เนื้อความให้เขามีความอาหารร่าเริงได้อันนี้ก็สามารถทําได้ในลำวังเพราะว่าจริงๆแล้ว คนที่บอกที่สอนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคือเรื่องของธรรมะไงธรรมะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วแตนะ่ท่านบอกท่านสอนเปหลัสอนไว้บอกไว้นตะ่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านจดจำมาบันทึกมาเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดใหม่แต่คือข้าพเจ้าเองก็ตามแต่จำบังไม่ได้คิดใหม่ข้าพเจ้าก็ไปอ่านหนังสือธรรมะนี่แหละเอาต่อให้ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เลยก็ตามอ่านมาแล้วมีความเข้าใจอ๋อมาบอกเล่า ให้นภูฟังฟังต่อไว้เนี่ยถ้าสามารถมีเทคนิคการพูดในลักษณะที่ให้เข้าใจความได้อันนี้เหมืนเรื่องของการนําเสนอนภูฟังเรื่องของการนําเสนอการนําเสนอเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ที่นําเสนอนั้นสามารถทําได้หรือไม่การนําเสนอดีก็เป็นส่วนหนึ่งข้อมูลที่มานําเสนอเนี่ยสำคัญข้อมูลนี้มาจากไหนเอาก็มาจากของประพุทธเจาท่านคิดไว้บอกไว้สอนไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ มาบอกได้ทีนี้คําว่าการนําเสนอเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคนเช่นตัวอย่างอุปมาบางครั้งบางคราพระพุทธเจ้ายกถึงการทําไร่ทํานาเดินทางด้วยเกวียนเป็นต้นอย่างเงี้ยเออถ้าคุณเปลี่ยนเทคนิคในการนําเสนอโดยยกอุปมาพุปไม้ใหม่ที่มันจะมาสอดคล้องกับคนในสมัยนี้ที่จะทำให้เขาเข้าใจเนื้อความได้อันนี้คุณก็มีคุณธรรมในข้อที่หานี้นั่นคือมีคําพูดไพเราะมีวาจาชัดเจนแจ่มใส สามารถให้เขารู้เนื้อความเข้าใจความได้และในข้อที่6นั้นก็คือพูดให้กำลังใจนั่นเองสามารถชักจูงให้เขาเกิดการกระทำได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าคนพูดใดผู้หนึ่งอาจจะไม่สามารถใกล้ครัรวนเนื้อความที่ทรงจํานั้นได้ว่าจะต้องมีอาาัฐะมีการปฏิบัติอย่างไรแต่มีเทคนิคในการนําเสนอที่จะทาให้คหนอื่นเขาเข้าใจความได้เนี่ยอันนี้เขาก็จะสามารถที่จะไม่พอเพื่อตัวเองตัวเองปฏิบัติไม่ได้นะแต่เพียงพอเพื่อผู้อื่น อันนี้เขาสามารถที่จะทำได้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าไอ้คำว่าไม่พอเพื่อตัวเองแล้วพอเพื่อผู้อื่นเนี่ยไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยเป็นบุรุชนได้นะแต่จะเป็นคนพานได้หรือไม่แต่เพราะว่าคนพาณไม่พอเพื่อตัวเองถึงขนาดเป็นคนพานเลยเนี่ยนะคนพาณ น, นี่เราดูที่ตรงไหนดูบ้างดูที่ความคิดการพูดและการการะทำของเขาถ้าเขามีปกติ คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอันนี้คือแบบโหผ่านมากๆแตนะถ้ามีปกติคิดดีพูดดีทำดีอันนี้คือไม่ใช่คนพานอันนี้คือคนดีแตนะทีนี้บางทีตะกล้ำเกลงล่ะอาจจะคิดไม่ดีอาจจะพูดไม่ดีในบางครั้งบางคราวแตนะ่ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งใช่ไหมรับหลังพูดอีกอย่างหนึ่งแตนะ่ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งรับหลังทำเรื่องที่มันเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหม ม, มมไม่ดีเนี่ยคือเริ่มมีการผิดศีลแล้วนะ เราก็ดูที่ตรงศีนี่แหละท่านบูฟังถ้าศีนไม่ดีอันนี้คือเป็นคนพาลละคนพาลเนี่ยท่านบูฟังไม่ควรครบไม่ควร ค, ร บ, ค, วรครบต้องให้เขาเทศดีปานไหนให้เขาสามารถที่จะอธิมายธรรมะได้ดีอย่างไรก็ตามเราไม่ควรเสพไม่ควรครบคําว่าเสพเนี่ยก็คือไปฟังเขาพูดว่าเขาเพื่ออะไรเราไม่ควรจะไปเสพเขาด้วยซ้ําเราก็ไม่ควรจะคบด้วยซ้ําไม่ควรจะเข้าไปนั่งใกล้ด้วยแล้วก็ควรจะรังเกียจเขาด้วยนะ เกิดถ้าก็เป็นคนผิดศีลเนี่ยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับพเจ้าได้นําเรื่องนี้มาไล่ดมฟังฟังละ ว, ว่าคนที่น่ารังเกียจก็คือคนที่แบบผิดศีลด้วยมีความเป็นอยู่เน่าในหมักหมมแล้วก็ไม่ดีเป็นคนพาณ น, นั่นแหละแต่ถ้าไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลยังทําเรื่องของศีลต่างๆได้แต่ว่ามีอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นลงบางทีพูดจาด่าทอทำให้เราต้องเจ็บใจ อันนี้ก็อย่าไปรังเกยียจเขานะแต่ว่าให้ควรวังเฉยคําว่ารังเกยียจนี่คือหมายความว่าต้องมีความคิดในการที่จะให้เขาเกิดความแก้ไขในะรังเกยียจสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นแตนะ่ในทั้งสองกรณีไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรฟังตามของเา้าไม่ควรเข้าไปใกล้ด้วยเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชั่วไปตามก็ตามนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปติดนิสัยที่ไม่ดีของเขาเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าปริบเหมือนกับงูพิษที่จมอยู่ในหลุมขูด แต่ตอให้มันอาจจะไม่ได้กัดเราเร า, า จ, จะไม่ได้รับอันตรายจากมันแต่มันก็อาจจะทําให้เราเปื้อนคูดได้เหม็นได้เพราะว่าถ้าเราไปเสพคบกับคนนั้นเนี่ยตอนให้เราจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีก็ตามตเราก็ยังเป็นคนดีของเราอยู่แต่เขาไม่ดีเนี่ยด้วยความที่ไม่ดีของเขาเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงกระเจากระจายไปแล้วว่าโอ้คุณคนนี้ไปคบกับคนนั้นจึงคนนั้นก็เป็นคนไม่ดีเฮ้คุณคนนี้จะไม่ดีด้วยกันเหมือนกันหรือเปล่า อย่างเงียก็จะมีความค้่องใจในประเด็นนี้ได้นะเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณคมชันถามถึงเรื่องที่ว่าเอถ้าเป็นบุตุชนแล้วนำธรรมะมากล่าวให้คนบรรลุธรรมอันนี้ได้อันนี้ดีเราฟังได้ไม่มีวนาถึงแม้เขาจะเป็นบุรุชนก็ตามถ้าข้อมูลที่ฟังนั้นทำให้เกิดความอาหารร่าเริงกล้ากล้าในธรรมะเขามีคาพูดมีการอธิบายมีการนาเสนอ ในลักษณะที่จะให้เข้าใจความได้นี้ฟังได้แต่ถ้าเป็นคนผ่านแล้ ว, ลวดูที่เขาผิดศีลถ้าเขาไม่มีศีลมีความเป็นอยู่ที่ดูเหมือนมีศีลแต่เน่าในข้างในนี่เน่าแล้วบางทีมันส่งกลิ่นเหม็นออกมากลิ่นศีลเนี่ยมันไปได้นะมันทวนลมก็ได้ถ้าทาศีลดีมันก็ทวนลมไปดีถ้าทาศีลไม่ดีมันก็ทวนลมเหม็นไปพอทวนลมเหม็นไปกลิ่นศีลมันออกไปแล้ว นั่นกกลิ่นที่มีความเน่าในเอาเราก็อย่าไปใกล้อย่าไปเสพอย่าไปฟังธรรมะของเขาเพราะว่าถ้ามีคนเข้ารู้ว่าเราฟังธรรมะของคนไม่ดีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ดีไปด้วยเปรียบเหมือนงูพิษเพื่อนคูดเร า, า จ, จะไม่ได้ถูกมันฉกแต่เราก็จะติดกลิ่นเป็นของมันได้นั่นเอ ง, งนั่นคือครรตามของคุโกลมฉันที่เขียนธรรมะมาวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอาภีปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศก วันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปาน